Thank mm -hmm. you.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 อาจจะเดาใจเราถูกหรือว่าเขาไม่ถือสาเราหรือยอมตามเราแต่พอยอยู่ไปอยู่ไปมันก็กลายเป็นคนข้ามบางทีความขัดแย้งในระหว่างคู่ระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวหรือในที่ทำงานอาจาจะเป็นเพราะว่าต่างเรียกร้องให้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 มีโอกาสผิดหวัง 100% แต่ถ้าเราถันมาภากเพียรพยายามเพื่อที่จะรู้ใจตัวเองมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้อย่างที่เรามาที่นี่เนี่ยนะมาเจริญสติก็คือเพื่อที่เราจะได้รู้ใจตัวเอง้อการรู้ใจตัวเองนี่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่เป็นมีคุณวิเศษยิ่ง ก, กว่าการที่เป็นรู้ใจ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 หรือเขาอิจฉาเราเขาแช่งชักหักกระดูกอยากจะให้เราเนาเมียนเป็นไปเรารู้อย่างนี้เราคิดว่าเราจะมีความสุขหรือบางทียิ่งรู้ก็ยิ่งทุกข์นะความรู้บางอย่างมันไม่เป็นประโยชน์เลยกลับจะเป็นโทษด้วยซ้ำแต่ว่าการรู้ใจตัวเองนี่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 ทำตามอำนาจของกิเลสทำตามอำนาจของอารมณ์ความรู้สึกมันมีความโกรธเกิดขึ้นก็ทำตามมันทำร้ายมันอยากจะไปอยากจะได้ของอยากจะได้เงินเขาอยากจะได้รถเ้าก็ทำตามความอยากนั้นทันทีโดยที่ไม่ทันได้ไตรตองหรือว่าทักท้วงความคิดนั้น ชีวิตของผู้คนมากมายนี่เรียกว่าลมสลายตกต่ำย่ำแย่ก็เพราะไปหลงเชื่อความคิดปล่อยให้อารมณ์ครอบงำใจบ่อยครั้งไอความคิดและอารมณ์เรานะั้นก็กลายเป็นเป็นกรงขังเราเป็นโซ่ล่ามพัฒนาการเราเอาไว้อย่างบางคนก็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 อาจจะได้ความตั้งใจอาจจะได้ความพลังเพลอแล้วก็ไม่ยอมที่จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางก็จมอยู่กับความคิดนั้นอาคนที่พูดมาอย่างนี้เนี่ยนะเขาเขาไม่รู้ใจตัวเองนนะเขาถึงปล่อยให้ความคิดและอารมณ์โดยเฉพาะที่เป็นอกุศลนี้ครอบ ง, งาใจบางคนรู้สึกผิด พ่อกับแม่ก็พยายามทำลายตัวเองด้วยวิธีการที่บางทีก็แปลกเหมือนกันมีคนไข้มีคนหนึ่งแกเป็นผู้ชายนะแกเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานมากด้วยหมอก็ให้ยาแต่ให้ยาไปแกไม่ค่อยกินเลยแทบจะไม่กินยาที่หมอให้เลย แล้วก็ไม่ดูแลตัวเองด้วยเรื่องอาหารการกินก็ไม่ดูแลหมอก็มาเห็นสภาพแกทุกครั้งก็รู้สึกไม่พอใจว่าทำไมคนไข้นี่ไม่ยอมรักษาตัวเองเลยยาก็ไม่กินหมอเจอคนไข้แบบนี้ก็จะขุนเคืองแล้วก็โมโ oh. หจะว่ายังไงเขาก็ไม่สนใจ แล้วก็มาแต่ละครั้งก็อาการก็ย่ำแย่จะก็มีเพยาบาลคนหนึ่งรู้สึกผิดสังเกตก็เลยไปคุยกับแกคุยไปคุยมาก็ได้ความว่าเมื่อสักปีก่อนแกแม่แกป่วยด้วยเบาหวานและแกก็ไม่ค่อยแดาวใจใส่ดูแลแม่เท่าไหร่จะเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาหรืออะไรก็ไม่ทราบ สุดท้ายแม่ก็ตายไหมแกรู้สึกผิดไอความรู้สึกผิดที่ไม่ดูแลแม่จนแม่ตายเนี่ยก็มันก็ทำร้ายจิตใจตัวเองก็คิดแต่เรื่องนี้แหละสุดท้ายพอเป็นเบาหวานเหมือนกับแม่แกก็เลยคิดว่าวิธีที่จะไถ่โทษหรือว่าที่จะครยความรู้สึกผิดได้ก็คือการที่ ไม่ต้องรักษาตัวเองคือคิดว่าถ้าตัวเองตายด้โลกเบาหวานเหมือนกันก็เป็นนั้นว่าได้ได้ชำระชำระความผิดหรือได้ไถ่โทษในความคิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีแค่ปัญหาที่ฉลาดเลยมันมีแต่จะทำร้ า, ายตัวเองก็คงคือฆ่าการฆ่าตัวตายแบบผ่อนทรงมันนะ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 โอจมูกลื่นกายมีเสียงดังเห็นคนทำกิริยาการที่ไม่น่ารักไม่สุภาพหรือว่ากวนโทสะหรือว่าลูกน้องนะทำงานผิดพลาดคนรักพูดจาไม่ดีกับตัวจิตเราก็พุง่งออกนอกทันทีเพื่อที่ไปตอบโต้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 สุดท้ายก็ปล่อยให้ใจเนี่ยเปิดโล่งความโกรธความทุกข์เข้ามาลุมซ้ํากระนําแบบไม่มีทางตั้งตัวเลยคือเรียกไม่มีกาดเลยนะจิงของคนสวยมมนไม่มีกาดเลยเพราะว่ามันส่งออกนอกหมดจริงๆเวลามันมีอะไรมากระทบเนี่ยอ ย, อย่ามัวแต่ส่งจิตออกมากออกไปตอบโต้ อ, อย่างเดียว หันกลับมาดูใจบ้างว่าใจตอนนี้กําลังโดนความโกรธความขุ่นเคืองนะความเจ็บปวดครอบงําเล่นงานแค่ไหนแล้วเวลาโกรธเนี่ยเราคิดแต่จะเล่นงานคนที่โกรธแต่ไม่เคยรู้ใจว่าใจนี่กําลังถูกเผาลนใจกําลังจะเหมือนกับตกนรกแล้วถ้าหากว่าเราลองกลับมาดูใจบ้างหรือเผื่อ เผื่อใจส่วนหนึ่งมาดูมารู้ทันความรู้สึกนึกคิดบ้างข้างในก็จะดีไม่ใช่ส่งจิตออกนอกไปร้อยเนะเผื่อมาสัก 30-40% ซนะมาดูข้างในบ้างมาดูใจบ้างตอนนี้มันเป็นยังไงความทุกข์มันจะลดลงได้เยอะใหม่ๆไม่ต้อง 30-40% อเอาแค่ สิบยี่สิบเอร์เซนตก็ได้เผื่อใจไว้มาดูข้างในบ้างไม่ใช่ส่งออกนอกไปเต็มร้อยหมดเนื้อหมดตัวส่งจิตออกนอกหมดเนื้อหมดตัวก็จิตใจก็ถูกเล่นงานจนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันกลับมาดูใจเผื่อเผื่อใจไว้สักสิบยี่สิเอร์เซนตมาดูข้างในบ้างใหม่ๆนะแค่นี้ก็ ถ้าทําได้ก็ดีแล้วแต่ต่อไปทําเป็นนิสัยทําเป็นนิสัยเนี่ยมันจะสามารถจะเผื่ใจเป็นสามสิบสี่สิเปอร์เซนกลับมาดูแล้วถ้าเราลองเผื่ใจไป น, นี้บ้างเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่มันครอบงําใจมันก็มีโอกาสน้อยลงางคนณลาก็ต้องก็ยังเป็นต้องมองออกไปนอกตัวเพื่อรู้เพื่อดูว่ามีอะไร ข้างหน้ามีความปลอดภัยหรือไม่หรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวรวมทั้ผู้คนแต่ว่าก็อยปล่อยมันไปรอเปร์เซนต์นาทีเกินร้อยนะอันนั้นไม่ดีกลับมาดูใจของเราบ้างบ่อยครั้งเรามักจะบ่นว่าทำไมเขาทำอย่างโน้นทำไมเขาทำอย่างนี้บ่นไปก็ไม่พอใจ ทำไมก็พูดกับเราอย่างนี้ทำไมเปิดเสียงดังอย่างนี้ฉันกำลังจะจะบ้าแล้วนะหรือโมโหเหลือเกินนะทำไมทำอย่างนี้กับเราบางทีก็น้อยใจนะทาไมก็ทำอย่างนี้กับเราน้อยใจต่เราไม่ค่อยถามว่าทำไมเราต้องน้อยใจกับการกระทาของเขาด้วยเราเอาแต่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 คนอื่นนี่เขาเป็นถึงแม้จะอยู่จะอยู่ใกล้แค่ไหนเขาก็ยังไม่ใช่เราเวลาเราทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าเขาทุกข์ด้วยนะแต่ว่าเราเรียกร้องเขาให้มาทำดีกับเราแต่เราไม่สนใจที่จะดูแลใจตัวเองเลยอันนี้มันถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะมีความปกติสุขได้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 หินทับหญ้าเนี่ยนะหญ้ามันก็ไม่งอกหรอกแต่พอเอาหินออกเมื่อไหร่หญ้ามันก็งอกงามใหม่บางทีมันโตรเร็วกลายเป็นพงหญ้าไปเลยการเจริญสติที่ทำที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาหินทับหญ้าหินทับหญ้ามีความสงบถ้าทำเอาหินทับหญ้ามีความสงบว่าเกิดขึ้นชั่วคราว รหวงที่เรานั่งปฏิบัติไม่มีอะไรมากระทบอยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ในศาลาที่ต่างคนต่างทา ม, มันก็สงบได้แต่พอออกไปข้างนอกนะบางทียังไม่พ้นอาคารเลยนะเจอภาพเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ถูกใจความกลัวก็โผล่ขึ้นมาทันที และเนื่องจากไม่ได้ฝึกใจให้รู้ทันอารมณ์เหล่านี้มันก็เลยเล่นงานยังมีบางคนปฏิบัติอยู่ในห้องแอร์ที่กรุงเทพนะเามีคอสตัดกรรมฐานนะชาวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็มีนักปฏิบัติคนหนึ่งเวลาปฏิบัติกนะ็สงบดีนะแต่พอเลิกปฏิบัติ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 นี่ขนาดรถจอดซ้อนคันคันนี้นะยังโกรธขนาดนี้ละไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแล้วนะนี่แสดว่าปฏิบัติผิดแล้วล่ะนะเพียงแค่ตาเห็นรถจอดซ้อนคันคันนี้ก็คุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเนื่องจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นในเรื่องการกดข่มอารมณ์ไว้นะ กดขม่มแล้วไปบังคับจิตให้มันนิ่งจิตมันนิ่งก็ดูเหมือนว่าเออเรียบร้อยดีแต่นั้นพาอไม่มีอะไรมากระทบกระทบจิตพอมีอะไรมากระทบจิตปุ๊บนี่มันมันก็เพิ่อมอย่างแรงเลยแล้วบางทีฝึกสมาธิมากๆเนี่ยความโกรธมันก็จะแรงนะเพราะว่าพอมีสมาธิดีเนี่ยจิตมันจะพุ่งแรงมากถ้าเกิดมีความโกรธขึ้นมา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 บางทีก็เที่ยวจกนกระทั่งกายเป็นเหเล่ล่อนแล้เหเล่ล่อนไปไปมากลายเป็นกระเซาอรกระเซิงเอาความทุกข์กลับมาด้วยมันคิดโนดคิดนี่แล้วก็เอาไม่ใช่คิดเปล่าๆ เ, เอาความทุกข์กลับมาเอาความเสียใจความขุ่นเคืองความแค้นความ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 แต่ว่าบางครั้งหรือใหม่ๆเนี่ยเด็กเลี้ยงควายมันก็ไม่ค่อยใส่ใจกับการตามดูควายเหมือนกันเอาแต่ฟังเพลงจากวิทยุที่ติดมาด้วยฟังเพลงไปก็ใจลอยไปบางทีวัวมก็หรือควายก็เตลิดไปออกเป็นนอกทางมันไกลแล้วมารู้ตัวนี่ก็ต้องไปวิ่งไล่ เรียกมันกลับมากลับมาเดินบนทางใหม่ๆใจเราเป็นอย่างนั้นแหละใจมันไปไกลแล้วเนี่ยกว่าจะรู้ตัวมันก็คิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วเรียกว่าพลเนจรไปสุดขอบฟ้าแล้วนะีแต่ว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติบ่อยๆไปบ่อยๆมันก็เริ่มเชื่องเริ่มกลับมา อยู่กับกายกลับมารู้กายอย่างต่อเนื่องก็เมื่อควายที่พอถูกเรียกบ่อยๆถูกทักถู ก, ถกท่วงบ่อยๆมันก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าเส้นทางของมันก็คือถนนที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ออกไปถเลถไลไถลไหลนอกทางส่วนเด็กเลยงควายทาไปทาไปก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นและไม่ใจลอย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 ใหม่ๆ ม, มันก็ทั้งจิตก็ไม่เชื่องสติก็ไม่ไม่ไม่ใส่ใจแต่ทำไปทำไปอย่างที่เราทำเงี้ยนะจิตมันก็จะเริ่มเชื่องส่วนสตินก็จะเริ่มไวพอสองอย่างนี้สมพงกันนะก็ทำให้การเดินไปตามทางของจิตมันก็เป็นไปอย่างราบรื่น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 เอาไปเอาสติไปใช้กับการทํางานทําการอย่างอื่นบ้างตื่นนอนอาบน้ําล้างหน้าถูฟันก็มีสติอยู่กับกิจเหล่านั้นเวลากินข้าวก็มีสติในการกินข้าวไอกิจกรรมเหล่านี้มันอิเลีย บ, บทเหล่านี้มันไม่ค่อยใช้ความคิดเท่าไหร่ก็ทําให้เราสามารถจะรู้ใจได้ง่ายขึ้น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 กำลังจะปล่อยให้ความคิดนี่มันพาเราไปมีเยอะนะคุยพูดไปพูดมาฟุง้งจนกระทั่งไม่ยอมหยุดอ่านี่ก็ถ้าเรามีสติเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะพูดโดยรู้ว่าควรจะพูดเท่าไหร่แล้วก็พูดในเรื่องอันนี้มันสติเอามาใช้กับการการทำงานที่ใช้ความคิดก็ได้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 บางทีมันมีโทสะเกิดขึ้นมันมีความอยากจะทําร้ายยุนะงให้เรเห็นตรงนี้นะถือว่าดีนะถึงแม้ว่าจิตมันจะมีโทสะเกิดขึ้นแต่ว่าเราเห็นมันการปฏิบัติเนี่ยเราก็สามารถจะปฏิบัติได้เวลามีอะไรมากระทบเวลามียุงมากวนมีเสียงม า, ารบกวนทีจริงถ้าเรามีสตมิมันไม่รบกวนนะ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 ุงกัดทั้งใจก็คือว่าใจนี่เป็นทุกข์ด้วยไม่ใช่แค่กายนี้เจ็บหรือคันใจนี่ก็เป็นทุกข์เกิดโทสะอันนี้เรียกว่าสอบตกว่านะได้กลับมาดูใจว่ามันรู้สึกอย่างไรถ้ามันกัดก็ให้มันกัดแต่แขนกัดแต่ตัวนะอย่าให้มันกัดใจด้วย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 แปลความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจคนที่เป็นมะเร็งที่เ้าฉลาดนี่เขาก็ยอมให้มะเร็งมันทำร้ายกายแต่ว่าใจทำร้ายไม่ได้เขาก็เป็นปกติสุขเย็นสบายมันมีนะธรรมาก็เจอหลายคนแล้วคนที่ยิ้มได้หัวเราะได้แม้ว่ากายจะเป็นมะเร็งเจ็บหนักอันนี้เพราะเขารู้จักรักษาใจ แต่ที่เราเล า, าสาใจได้เพราะเขาฉลาดในการรู้ใจตัวเองนะก็ไม่หมดแต่ส่งจิตออกนอกจนหลงจนลืมตัว